Mm hmm.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 ก็ค hmm. cool ือเป็นการสร้างโลกแห่งความคิดขึ้นมาแล้วก็หน <les <les ีเข้าไปในโลกแห่งความคิด le นั้นทั้งหมดนี้เพื่ออะไรก็เพื่อหนีตัวเองเราทนอยู่กับตัวเองไม่ได้เราแปลกแยกกับตัวเองทั้งหมดนี้มันก็แสดงว่าเราจริงๆแลลวไม่ได้เป็นมิจกับตัวเองเท่าไหร่เราไม่ได้เป็นมิจกับตัวเองเท่าไหร่นะเพราะเราทนอยู่กับตัวเองไม่ได้ถึงบอกว่าตัวเองนี่แหละ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 ก็ไม่มีความสุขถ้า ม, มีคนหนึ่งนะักธุรกิจคนหนึ่งนี่ทำธุรกิจก่อสร้างอุตสาหกรรมกู้ธุรกิจของพ่อซึ่งเป็นหนี้ช่วงสมัยเศรษฐกิจวิกฤตรกอบกู้มาที่เคยเป็นหนี้เป็นพันล้านนะสามารถที่จะรกอบกู้ใช้หนี้ได้หมดภายใน3ปีแล้วก็อีก3ปีนี่ก็ทาให้สินทรัพย์เพิ่มขึ้นอีกหลายพันล้าน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 ได้มาเป็นมิกฉาตัวเองเพราะฉะนั้นการเป็นมิกฉาตัวเองสําคัญมากมาที่นี่ทั้งทีนะขอให้เราได้พบกับตัวเองแล้วก็เป็นมิกฉาตัวเองให้ได้อันนี้คือมิตรที่เพิ่งรู้จักที่สําคัญมาก